วันนี้เป็นวันเป็นวันศีลอีกแล้วเป็นวันพระเป็นวันพระเป็นวันศีลก็เป็นโอกาสดีสาหรับท่านเฮาพุทธบริษัท น, นี่ดีหลายมีโอกาสไปแวะเวียนมาวัดมาว่ามาฟัาง้งศีลตั้งท้ำมาอยู่จําศีลมันคือค้นยางนี่ลหละคือคนแรนค้นเดินทางนี่ละ่ะ อื่านหอดย่ามเกิดม่พักมาเศ้าเมื่อยยิดใจของเฮานี่มันแลรง พ, พ, พอบอกพอบอกอยู่เดีแรงวอยู่ร่เดียยุดเดีเศร้า จ, ะจะ้าเกอือขอบมันมีแนวผ้าจูงผ้าแรนที่จังเขาจูงดังนี่แหละวะเขาจจูงดังง่วงดังกล้วยเนี่ยเขาแรงเกิดจำโจนได้แลง น, น้องเขาานสมัยนี้นั้น เหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์สังคมโอ้ยมันพากกันแลนเลาสันแห่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นพันบาท ล, ลดว่าล่าเลยสันแกกี้นั่นพันว่าแลนหกสิบเลสันโธมันว้แยเ่เซ่เลยหกสิบเห็ุนั้นได้มันหมันแลนต้องหมันที่บ่อตายว่วาโอ้ยเดี๋ยวนี้หอดสองร0อยสามรถอยดเหมือนแลนหันนะนั่น เครื่องบินก็พือการเครืค่องบินก็เอาเรวเท่าดรให้ดีเด้อเนี่ยเลเรวเท่าไรให้ดีคนก็เลแลนขนบแลนแ ต, ต, ต่ตวเนียใจให้แลนไวให้นึ่งนเหืองเล่าต่างๆเฮาเบิงเป็นยังเรื่อ ง, ง เ, อ เ, เทคโนโลยีอยีกยางก็นียยากเปนยังต่ไม่ยังแลนมาเด้อ น, น, น, น, น, นี่ยจนว่าเฮานั่ก็บท่านนั่บทนกยังสองนํนนาเ น, นี่ยบอล น, นั่มกับติอยู่ขอเขาบได้อีกละแต่เลื่อองนั่น แล่นน้ำข้นเขาเขาหยับเขาหยั บ, ยบไปงันจะนี่ฮาชดเบิง่งเดออวมโบมุนีมันแมนโบใจห่อบริยุทธิ์เจ้าเครืบอบริุเจาเคือบเป็นสมาธิด อ, อกนี่จะแล่นน้ำแนบมือแล่นน้ำผูแล่นน้ำข้นแล่นน้ำนเห ล, ล, ลือนเล้าแล่นน้ำอ้ำวมจากความจริงเขาก็บริไม่จูงเอยียงดอกว่าบริไม่จูงดอก เขาเอานวมาหล่อซร่งๆน้องแลนั่งเขาแลนในประเทศไทยเลยโบ้นเลนแลนหรือเมืองนอกอยู่ด้วยนี่ขอบยันเพราท่านเขาแลนมนที่นี่ทนหอดมือวันพระวันศีลนีแต่เป็นโอกาสดีท่นเขามาวัดก็ไปว่าเดื๋ยวมันเศร้าแลงใจมันได้เศร้าแลงมันจากเอนี้เห็นมันเศร้าเมื่อยแน่ใจนั่นมันกับสิเมื่อยคื่กันเลยทีครับ คนน้นขันธ์เห็ดเปียกหลายทำงานหลายแรงหลายมันก็เมื่อยได้รดล่าเท่ากันขันแรงไปเลหลายเก๋ไก่แล้วแบบมันโบมีใจดอกมันหักเมื่อยอยู่ได้่ะรอลดต้องได้พักต้องได้เศ้าเนีถ้าจันทร์เาห่างใจเท่ากันนะั่นแหละถ้าไม่ได้พักไ่ได้เศ้ายังเชื่อโอ้ยใจห้างใจห้างแล้วบมีแนวเอาละคนน้นนี่นั่นเขามาเนี่ยเขามาวัดนี่ยขึ้นบามา เศราเมยมาผักใจซะท่านจักว่าจิได้พักแล้วมันก็ดีใจดอกสบายเบิกบานใจดอกโอ้จิได้เศร้าเมย์แบบนีบ้เลยว่าท่นบาดีเข้ามาแล้วย่ยดิ่มนั่นนี่ใจเนี่ยเใจให้มันสงบสำร่วมใหันละสงบในหันละได้ซำเลก็เอาเอาเลยหลยให้สุดแงเจาะของสุดขีดเจาของละ ผมมาแล้วห้าเรืงเพื่อคันครูมาจำสิ่งเดียวคุยกันเนี่มาคุยกันจ้กมันเอายังมาคุยคุณมาจำสิ่งเห็นมาอยู่หนูมันรักษาก้นสงบกายว่าใจใจนั่นแหละมันยังเป็นบุญมันยังได้คุณม่ถได้ด้ความสบายน์ได้ความโหมความเย็นหนูมันจังสิได้มันสิสงเส้ามื่อยออกจากมีแล้ว ยังสุต้องออกเป็นแลนของยกของยกน้ำกลดเขาอีลาบริสุทธิเศ้านี่หัดจ้ะหัดทำความสงบนี่แกยามหนาวอยู่วัอนี้วันทีวันทีใส่วันทีเจ็บมกราค่มจ้องไปเขาหล่อซีซีเกเนี่ยนีมือนียังหนาวหนาวกลับมาอีกนี่ว่าไม่หนาวกเก่าแล้วแต่ว่าหนาวนี่แกทังที่ละ มันเป็นธรรมดามันซักหนาวเข้าสิริรีอยู่ใส่หน้านีหนาวอยู่น้ามันนี่แหละอยู่น้ำหนาวนี่แหละแต่มาอยู่แห่หุจักซ่อมซ่อมบาหนาวขนาดนี้เข้าท่นใดบอ่อทนบ่ไดเนืหาเนี่ยมะหอมมาตุม้มยาไก่ซื้อปลาโอท่นเข้านี่พอพันนี่แต่ยังสี่ท้นบ่ใดเนา อันห้ามมั่งไก่สีตายมันงจิตปันไหนมันงจิเดือดอ่อนปันไหนก็เสีนเดอ้อคือต้องสร้าหัดกดไงนี่ที่เพื่นเล่าไว้ว่าขั้นตีปะละมังตะโปตีติด่านะความอบกั้นเป็นความทนคือความทนทานเป็นตะบะอย่างยิ่งนะ่โอ้ไปหอดบังหันแล้วมั่งโบมีแนวอื่นด้วยโบมีแนวอื่นอันเท่าสี่เพิงใดนอกจากควมอดควมทนเทน่านาั้นแหะบ่าวาเรื่อยนยัง ไปไปหอดวางสุดหมองสุดทีมันแล้วบ้มีมองสะไปโบ้มีหมองเสียกันเลยแหละเมนเดเครงอันนี้เหรไเดเพรงขันตีค่วมอดทนเป็นยังสั่นซื้อแน่วเลยเป็นทุกเหลืองทุกเหล้าเป็นยังไงล่ะต้องเดเพิงฟึกไว้ซะค่วมอดทนทนอดมันซื้อแนวทนมันซื้อแนวเนี่ยแะอันที่อดดีทนเก่งไม่แนวเข้าโบมักเนี่ยล่ะไม่แน่วเข้าโบข้อใจเนี่ยล่ะไม่นน่าเดือดร้อนเนี่ล่ะ อันน่ะต้องได้ดทนเพราะฉะนั้นสิ่งยั้งยั้งกลางที่มันมากระทบมันมันเดือดร้อนเพารู้ชึกเดือดร้อนตั้งใจโหลดได้ตั้งใจอดมันทนมันสูงมันตั้งใจสูอย่างทีล่ะสูงมันสูอแนวสิเ่งแย่ที่มากก็ย้อนย้อนอย่างทีละย้อนได้กฝึกฝนตนได็กฝึกฝนกระโตเจ้าของฝึกฝนใจให้ใจมันเข้มแข็งอันใจบริบูรณ์จะเสื่อบริสุทธิ์จะเชื่อ บริโอตเจือเกือนโอ้ยมันบกเส็มแชงยังดอกใจยังกันบมมีราคาบมมีคุณค่ายยังใจแน่นเกิดมาทราบดีว่าอายุหลายเก่าสิบปีตายกันตายทิมเก่าสิบปีมันท่องฟลุกไะ้ฟลุกได้กัดอกใส่กับลุกใส่ดอกที่เงีอนกับฟลุกได้ตังใจฟลุกได้สื้งี้สู้งได้ อากาศพอดอากาศหนาวมันจะมันเป็นไปตามว่าละคือมันเหรอมันเป็นตามหน้าที่ของเขาเขาบดเดืยดเดียดยังห่อดอกค่อนพ่อมหนาวหน่ะยมันเป็นไปยังสั่นดูซือเนี่ยมิจเจ้าหลับไปเดือดพอนพอมันมากแต่ย่านว่าจันพราอันพอนมากย่านว่าจันอีหล่ะเนี่ยสันฝนตกว่าแตย่านอีหล่ะย่านเปียกย่าน้อนย่านหนาว มิติยานมันบอกเก่งวันไหนอันคนเข้านี่ขันว่ายไปมันห่อนตืมขึ้นอีกักน้อยเดียวเท่านั้นแหะสอ ง, องศาสามองศาหรือมันเย็นลงกว่านี้อี ก, กสององศาสามองศาเอาแล้วทุกหลายเลยสิตายและโอ้ อ, อ, อนะ่อนแอเนี่ยพนเข้านี่ อ, อ, นอ่อนแอโดยเฉพาะจิตใจอ่อนแอต้องฟึ๊บ อันนี้บอว่าไผดอกสุกคนนั่นแะถึงพระถึงเน้นมื อ, อนั้นละ่ะต้องฝึกเท่านั้นนหละบรมบาเหมือนวันพระแล้วมันมือของพระมือของเน้นบแมนอันที่ว่าวันพระเป็นมือของหยาดของโ ย, งยมย่งเกี่กับบรมนม้วันพระเนี่ยเป็นมือที่พุทธศ า, าสนิกะส้นควนจีเบนมานล้ำลึกถึงพระถึงเจ้าถึงคำสอนของ ข, องของ้าพุทธเจ้าไปเองอย่างนีง้นังจีถึ่เออ